นี่เรามองภาพรวมของการปฏิบัติเลยนะเรียนใครจะฝึกมาแนวไหนก็ฝึกต่อกันได้หมดแหละนะคือเราแต่ละคนฝึกกรรมฐานนะคนละแนวสองแนวทิศทางต่างๆกันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะกรรมฐานที่ดีที่สุดนย่งไม่มีนะกรรมฐานสําหรับแต่ละคนต่างๆนะมันดีเฉพาะตัวนะทางใครทางมันนะไม่มีกรรมฐานสําเร็จรูปที่ว่า กรรมฐานอันนี้ดีที่สุดสําหรับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนี่การทำกรรมฐานเนี่ยมันมีสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถะเนี่ยพวกเราเคยชินเคยชินส่วนใหญ่ที่ทํามันก็เป็นสมถะสมถะเนี่ยทาไปเพื่อให้จิตใจสงบให้จิตใจมีความสุขหน้าที่หลักของเราก็คือถ้าจิตใจมันไม่ดีนะคอยแก้ให้มันดีมันไม่สงบทําให้มันสงบ ถ้ามันดีแล้วสงบแล้วก็รักษามันเอาไว้จิตใจที่ไม่สงบเพราะมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปจับอารมณ์น้นทีจับอารมณน์นี้ทีเราอยากให้สงบเราก็มาเอาอารมณ์มันเดียวมาล่อมันคนไหนชอบอารมณ์อะไรก็อ า, อารมณ์นั้นมามาเป็นเครื่องล่อให้จิตใจสงบอยู่ในอารมณ์นั้นคนไหนถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปคนไหนถนัดหายใจก็หายใจไปคนไหนถนัดดูท้องพองยุบก็ดูไปนะ ดูแลให้ใจเราเคล้าเคลียอยู่ที่อารมณ์นั้นไม่หนีไปที่อื่นอย่างเราดูท้องหรือยกเท้าย่างเท้าเราดูเท้าให้ใจเราแนบอยู่กับอารมณ์แนบอยู่กับเท้าแนบอยู่กับท้องนะแนบอยู่กับลมหายใจแนบอยู่กับพุทโธอะไรก็ได้นะอารมณ์ของวิปัสสนานีไม่เลือกมีเยอะแยะอารมณ์ของวิปัสสนาขอให้ใจเราเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์นั้นโดยที่เราไม่ต้องบังคับก็แล้วกันถ้ามันเคล้าเคลียโดยเราไม่ได้บังคับก็เรียกว่าใจเราสงบ นี่สมถะกรรมฐานนี่มาก่อนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องยากอะไรพวกเรานักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยที่บอกว่าทําวิปัสนาเนี่ยเกือบร้อยละร้อยก็คือนักทำสมถะไม่ขึ้นถึงวิปัสนาตัวจริงนะแต่ทั่งมารู้กายเวทนาจิตธรรมก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวิปัสนาเสมอไปนี่ทีแรกหลวงพ่อเขียนหนังสือประฏิบสองคำนะเขียนไว้ว่า รู้กายก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นวิปัสสนานะรู้จิตก็ทํำธรรมะก็ได้อะไรเงี้ยนะนี่นั่นเขียนมาจากการปฏิบัติ น, ะนี่เพิ่งไปเจอตําราก็มีนะเพิ่งเจอเมื่อวานนี่เองนะในตําราเรียนนักทำเอกมีเราไม่ได้เรียนนักทำเอกนะไปเจอบอกถ้าหากรู้กายเวทนาจิตทำเนี่ยถ้ายังไม่ขึ้นมาเห็นใจรักนะยังไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเป็นแค่ธรรมะนะนี่การจะทําวิปัสสนาเนี่ยให้มา ปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริงไม่เหมือนสมถะนะสมถะทําไปเพื่อให้จิตใจสงบให้จิตใจมีความตกให้ได้พักผ่อนวิปัสนาทําเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราผู้ที่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเรียกว่าพระโสดาบันนะเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกนะเคยมีคนหนึ่งภาวนาดีมาถามหลวงพ่อเมื่อสองสามวันนี้ว่าถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราแล้วภาวนาขั้นต่อไปจะทําอะไรอีก ก็ไม่ได้ทําอะไรทําอย่างเดิมรู้กายรู้ใจต่อไปจนมันละความยึดถือกายยึดถือใจผู้ละความยึดถือกายยึดถือใจได้เขาเรียกว่าพระอรหันต์เราจะาพ้นทุกข์ถ้าเราไม่มีเครื่องรองรับความทุกข์อีกต่อไปเพราะงั้นวิปัสสนาเนี่ยทาไปเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราพอปัญญาแก่รอบจริงๆเนี่ยจะปล่อยวางวางความยึดถือกายยึดถือใจ มิปัสนานนี้ต้องมีอารมณ์ที่ถูกต้องต้องรู้เรื่องกายเรื่องใจตัวเองไปเรียนเรื่องอื่นใช้ไม่ได้ต้องรู้เรื่องกายเรื่องใจตัวเองในตำราเขาบอก่าต้องมีอารมณ์รูปนามรู้กายรู้ใจของตัวเองของคนอื่นก็ไม่ดีนะต้องดูของตัวเองความเป็นเราอยู่ตรงไหนดูเข้าไปตรงนั้นความเป็นเราอยู่ที่กายรู้เข้าไปที่กายความเป็นเราอยู่ที่ใจรู้เข้าไปที่ใจคอยรู้ไปจนเห็นความจริงว่าไม่ใช่เราเครื่องมือในการจะรู้เรียกว่าสติ สติเป็นเครื่องไปรู้ว่าสติรู้มากเข้าก็จะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจและสติปัฏฐานเนี่ยที่ว่าธรรมนิปัสนาตามสติปัฏฐานสติปัฏฐานแบ่งเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกทําไปเพื่อให้เกิดสติขั้นตอนที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญามีสองขั้นขั้นแรกต้องทําสติให้เกิดให้ได้ก่อนนับปฏิบัติเกือบทั้งหมดไม่มีสตินะ เงั้นได้แต่นั่งเพ่งเพ่เอานะมีแต่สติธรรมดามันไม่ถึงขั้นสาัมมาสติไม่สามารถรู้กายรู้ใจเียงได้เอาแต่เพ่งเอาเพ่งเอ า, เเอานะได้แต่ความสงบอย่างมากนี่ทํายังไงสติถึงจะเกิดบางคนพยายามเดินจงกรมนะกระแทกเท้าแรงแรงกระแทกใหญ่ถ้าส้นเะท้าไม่พังข้อก็คงพังเขสักวันนึงนะแต่สติไม่เกิดสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดเพราะสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ต้องมีเหตุสติถึงจะเกิดนะ ทำทั้งหลายเกิดจากเหตุนะถ้ามีเหตุก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ดับไปหรือมันไม่เกิดขึ้นมานะเนี่ยหลักของชาวพุทธต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุแ้่เหตุ ด, ดับทำอันนั้นก็ดับสภาวะนั้นก็ดับสติก็เหมือนกันมีเหตุเหตุของสติคือการที่จิตเราจําสภาวะได้แม่นนะเพราะฉะนั้นเรามารู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเพื่อให้รู้จักสภาวะนั่นเองเบื้องต้นฝึกไปเพื่อให้รู้จักสภาวะ วิธีฝึกซ้อมนะใครเคยทำกรรมฐ า, านอะไรทำต่อไปนะกรรมฐ า, านส่วนใหญ่ที่พวกเราชาวไทยทำเนี่ยสามารถต่อไปเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาได้เกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดไม่ทั้งหมดหรอกบางกรรมฐ า, านทำไปแล้วไม่ได้นะกรรมฐ า, านอะไรที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจตัวเองนะจะต่อขึ้นมีปัจจณาง่ายอย่างถ้าเราไปนั่งเพ่งกสินเพ่งเทียนนะ นี่มันจะมาต่อเข้ากายเข้าใจยากนะมันจะเกิดนิมิตเกิดปฏิภาสเกิดอะไรขึ้นมานะได้แต่ความสงบได้ฌานได้ฤทธิ์ได้อะไรต่ออะไรไปนะแต่กรรมาฐานที่เกี่ยวเนื่องกับกายกับใจนี่เอามาต่อขึ้นวิปัสสนาง่ายนะใครเคยทําอะไรทําำนั้นต่อไปยกตัว อ, อย่างนะสมมติว่าเราเคยหายใจเข้าหายใจออกบางคนชอบหายใจนะกําหนดลมหายใจเรื่อยแต่เดิมชอบกําหนดลมหายใจเพื่อให้จิตสงบ การกำหนดลมหายใจน้อมจิตเอาไว้กับลมหายใจนะจนมันสงบเรียกว่าการทำสมถะต่อไปนี้เปลี่ยนเราหายใจเพื่อให้เกิดสตินะแล้วเดี๋ยวจะสอนเรื่องหายใจให้เกิดปัญญาก็มีนะสนะอนคว่ไปเลยก็ไดนะ้หายใจให้เป็นสมถะก็คือน้อมจิตให้อยู่กับลมหายใจได้แต่ความสงบนะถ้าหายใจให้เกิดสติสติต้องจาสภาวะได้เพราะงั้นเราต้องหายใจไปรู้สภาวะไป เช่นเราหายใจไปเนี่ยใจเราลอยไปเนี่ยใจหลงไปคิดแล้วรู้ทันว่าใจเราหลงไปคิดหายใจแล้วเราไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจละหายใจแล้วเกิดปีติรู้ว่ามีปีติหายใจแล้วมีความสุขรู้ว่าจิตมีความสุขหายใจแล้วเกิดอุเบกขารู้ว่าเกิดอุเบกขาหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องสงบนะหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านก็ใช้ได้ ไหายใจไปเรื่อยๆหัดสังเกตจิตสังเกตใจไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจะจําสภาวะของจิตได้นะจิตหลงไปก็รู้จิตไปเพ่งไว้ก็รู้นะจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเป็นกุศลอกุศลมันก็จะรู้โดยอัตโนมัตินะเมื่อเรารู้โดยอัตโนมัติแล้วต่อไปเราถึงขั้นจเจริญปัญญาละสติตัวจริงเกิดล้นะถ้าสติตัวจริงเกิด น, นี่ไม่เลือกนะว่าจะไปรู้กายหรือรู้ใจมันรู้ของมันเองบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้ใจ เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกไปเบื้องต้นอาจจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตอะไรก็ตามเถอะแต่พอสติตัวจริงเกิดแล้วมันจะไปเข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาได้จะรู้ทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจนะจะเห็นเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นจะเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งการเห็นว่าแต่ละอย่างเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาะงั้นหักไปนะคนไหนนะหายใจไปนะถ้าใจเข้าไปแนบอยู่กับลมเป็นสมถะ นะถ้าหายใจไปแล้วก็คอยรู้สภาวะใจหลงไปใจเพ่งใจสุขใจทุกข์ใจเป็นกุศลอกุศลอันนี้จะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปจิตจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองพอนะสติเกิดเองจิตจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกตัวนะปัญญาจะเกิดคือเห็นความจริงเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นเป็นลําดับลําดับไปคนไหนเคยดูท้องพองยุบดูต่อไปไม่ต้องเลิกนะดูท้องพองยุบไป แต่ถ้าดูแล้วใจเราเข้าไปเกาะอยู่ที่ท้องหรือเราไปบริกรรมนะท้องหนอยุบหนอแล้วบริกรรมเพื่อไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นอันนี้เป็นสมถะงั้นส่วนใหญ่ที่ทําเป็นสมถะนะไม่ว่าสํานักไหนเหมือนๆกันหมดละติดสมถะแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละคือทําแล้วใจเป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์มันเดียวนี้ถ้าจะทําให้เกิดสติจะทํำยังไงเราก็ดูท้องของยุบแปละถ้าใจลอยหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วใจเข้าไปเพ่งท้องรู้ว่าเพ่งท้องแล้ว ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ทันจิตรู้ทันใจของเรานะเนี่ต่อไปเราก็จะรู้ทันจิตใจตัวเองได้ชำนิชำนาญสติจะเกิดเองนะเพราะสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะไดนะ้พวกเราอาจจะสงสัยตรงจุดนี้นะเดี๋ยววันหลังค่อยเรียนต่อว่าทําไมพอจําสภาวะได้แล้วสติเกิดนะบอกเลยก็ได้เดี๋ยวบางคนกลุ้มใจนะ <c oughs> เริ่มกลุ้มใจแล้วนะมันต้องมีภาคสองนะสติเนี่ยเป็นความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนด สติคือความระลึกได้มันระลึกได้เพราะมัน hmm. รู so ้จักเช่นมันรู mm ้จักว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอไปมันก็ระลึกได้ว่าเผลอเพราะฉะนั้นสติคือความระลึกได้เพะฉะนั้นสติไม่ได้แปลว่ากําหนดนี้ถ้าเราหัดดูท้องพองยุบจิตนี้ไปคิดเนี่ยเรารู้จักแล้เราจําได้ว่าจิตนี้ไปคิดเป็นยังไงนะต่อไปพอจิตนี้ไปคิดสติจะเกิดเองระลึกขึ้นได้ว่าอ้อหนีไปคิดละพอระลึกได้ตรงกับสภาวะจริงๆนะจิตจะตื่นขึ้นมา เราจะรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันจะเห็นเลยว่าทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะค่อยๆเห็นไปเบื้องต้นจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราก่อนนะเบื้องปลายถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราดูยากนะต้องฝึกกันสักช่วงหนึ่งบางคนฝึกตั้งเจวันเนี่ยถึงจะเห็นบางคนเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีแล้วใครสิปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะต้องทบทวนและต้องทําผิดแน่ๆเลยนะยกเว้นพวกพระโพธิสัตว์นะ สิชาติยังไม่บรรลุเลยนะงั้นการฝึกให้เกิดสตินะดูท้องฟองยกจิตหนีไปก็รู้จิตเพ่งก็รูนะ้คนไหนเคยขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนขยับต่อไปไม่ต้องเลิกนะใช้ได้เหมือนกันขยับไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตเข้าไปเพ่งมือก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์กเป็นกุศลอกุศล ก, ก็รู้นี่ใช้หลักกันเดียวกันในที่สุดจะรู้ทันจิตนะทําไมหลวงพ่อเน้นลงมาที่รู้ทันจิตอยู่เรื่อยเพราะพวกเราเป็นค า, ารวนะเป็นส่วนมากทํามาหากินด้วยการคิดเอา ในห้องนี้ส่วนใหญ่เป็นนักทํางานด้วยการใช้ความคิดะที่เป็นชาวไร่ชาวนาจริงๆมีเปล่าไม่ค่อยเห็นเลยนะงั้นเราวันๆนึงคิดเยอะมันเหมาะกับการดูจิตงั้นฝึกไปนะฝึกไปทํากรรมฐานอะไรก็ได้ยกเท้าย่างเท้าก็ได้นะยกเท้าย่างเท้าเราจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศล ก, ก, ก, ก็รู้ คนไหนเคยหัดพุโทโธก็ได้นะพุโทโธไม่เกี่ยวกับกายกับใจหรอกพุโทโธเป็นบัญญัติในอารมณ์บัญญัติเป็นสมถาแท้ๆเลยพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแต่เราใครสังเกตใจพุโทโธแล้วจิตเราสงบก็รู้จิตหนีวิดคิดก็รู้นะจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ในที่สุดเราก็รู้ทันจิตนี่คือการฝึกนะเอาอารมณ์กับมถานันหนึ่งมาเป็นตัวตัง้งฝึกจนกระทั่งจิตเรารู้จักสภาวะเราจําสภาวะได้ รู้ว่าเผลอเป็นยังไงรู้ว่าเพ่งเป็นไงนะรู้ว่างสหหงสัยหดผูกฟุ้งซ่านเป็นยังไงรู้อารมณ์รู้สภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างยิ่งรู้สภาวะมากยิ่งรู้สภาวะแม่นจิตยิ่งมีสติบ่อยนะนี่พอ ม, มันมีสติแล้วคราว น, นี้สติจะระลึกขึ้นมาเองล่ะยกตัวอย่างสมมติเราใจลอยอยูเอ่เรากําลังใจลอยเผลอๆไปนี่จิตเป็นอกุศลสติเกิดระลึกได้ว่าเผลอไปแล้ว ทันทีที่สติระลึกได้นีจิตจะเกิดความตื่นตัวตั้งมั่นขึ้นมาในฉับสันนะใครเรียนถึงตรงนี้มีมีเยอะนะแล้ครึ่งห้องได้เรียนได้ตรงนี้ละพอเผลอไปพอรู้ตัวว่าเผลอปุ๊บ ก, ก็ตื่นขึ้นมาเลยจิตมันตื่นขึ้นมา น, นี่พอจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคราวนี้เลือกไม่ได้แล้วว่าสติจะระลึกรู้กายหรือรู้ใจมันรู้เองหมอสติรู้สึกไหมเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจนะบังคับไม่ได้หรอก แต่พอรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่เนี่ยจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ขั้นเจริญปัญญาละนะจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปธรรมอันหนึ่งสายอภิธรรมบางสายก็จะสอนนะอย่างสายจันแนบทบอกให้ดูรูปยืนเดินนั่งนอนเห็นรูปยที่ยืนเดินนั่งนอนเนี้ยเป็นแค่รูปไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนไปรู้นามธรรมเป็นคนไปรู้นี่มีแยกรูปแยกนามนี่ ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติถ้าทำถูกต้องก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ส่วนมากก็ชอบไปเพ่งรูปนั่นเองไปรู้อิริยาบถสีก็เพ่งอิริยาบถไปเลยเพ่งร่างกายทั้งร่างกายท่อนๆ ท, ท, ทื่อๆนี่แหละะหรือนั่งรอไปเมื่อไหร่มันจะเมื่อยอะไรเงี้ยนะรอเมื่อยแล้วก็นั่งคิดต่อเนะี่อยากเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทำไมต้องเปลี่ยนเปลี่ย น, เ, ยนเพราะจำเป็นคิดหาเหตุหาผลนะนี่มันตกจากวิปัสสนะตรงเนี้ยมิปัสส น, น, นายังไม่เจอความคิดนะเจอความคิดไม่ขึ้นมิปัสสนาตัวจริง งั้นรู้อิริยาบถสี่ก็ได้นะเราเห็นเลยตัวที่นั่งตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นอนเนี้ยนะถ้าเป็นขั้นเจริญปัญญาจะเห็นไลยตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะถ้าจะเป็นขั้นฝึกสติก็คือร่างกายกระดูกกระดิกร่างกายหยุดนิ่งร่างกายคู่ร่างกายเหยียดแล้วคอยรู้สึกไวคอยรู้สึกเนืองๆพอใจลอยแว บ, บไปรู้ทันใจไปเพ่งอยู่ที่กายรู้ทันใช้หลักเดียวกันนะกรรมฐ า, านอะไรใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะเพราะฉั้นถ้าเรียนกับหลวงพ่อเข้าใจหลัก ที่หลวงพ่อบอกแล้วจะไม่ทะเลาะกันระหว่างสำนักนะเพราะทุกสำนักทําได้เหมือนๆกันหมดแล้วก็ทําผิดก็เหมือนๆกันหมดนั่นแหละผิดก็มีสองงานเหมือนกันถ้าไม่เผลอไปคิดก็ไปเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมไว้กําหนดไว้ปกคองไว้รักษาไว้นะเหมือนกันงั้นหน้าที่ของเราต่อไปนี้น่ฝากกันบ้านแล้วแม้วันนี้สอนเร็วนะจบหลักสูตรแล้วเนอะ <c oughs> หน้าที่ของพวกเราต่อไปนี้คือหัดรู้สภาวะ มาเรียนที่หลวงพ่อไม่ต้องเรียนเรื่องอื่นหรอกเรียนเรื่องสภาวะะหัดรู้สภาวะไปหลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนพวกเราเท่านั้นะสังเกตไหมตอนหลวงพ่อพูดให้ตลกใจเราขาขึ้นมาใจที่เฉยเฉยเปลี่ยนเป็นขํา ข, ขึ้นมาเนี่อรู้ทันสภาวะก็คือเห็นใจเป็นขาขึ้นมาะพอหลวงพ่อพูดจรงิงจังใจตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมใจตอนนี้เริ่มนิ่งไปทั้งห้องแล้วนั่นหนีไปคิดเลยไม่ใช่นิ่งแล้วใจเราเป็นยังไงนะนั่งดูไปอย่างเนี้ย นั่งหัดรู้สภาวะไปเรื่อยจะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเดี๋ยวก็ประคองไว้นะเดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวก็ซึมซึมนะสารพัดรูปแบบหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งสติจะเกิดเองนะมีอาจารย์อะพิธรรมบางท่านสอนดีนะอย่างอาจารย์สุจินบริหารมนเคนสอนดีบอกอย่ารีบปฏิบัตินะอย่ารีบปฏิบัตินะเรียนให้รู้เรื่องฟังให้รู้เรื่องก่อนสามารถรู้เรื่องอะไรต้องรู้เรื่องสภาวะนั่นเอง สภาวะธรรมเนี่ยถ้าเรียนอย่างอภิธรรมมีเจ็ดสิบสองตัวเยอะไปนะเราเรียนจากของจริงในใจเรานี่แหละนะหัดรู้ไปวันละตัวสองตัวแล้วต่อไปจะพบว่าเยอะไปเจ็ดสิบสองอีกนะสภาวะธรรมเขาเรียนสภาวะเจ็ดสิบสองไงโยเกิดสภาวะอะไรสกี้นี้ออเลือตอบถูกแล้วไหมเนี่ยหัดรู้สภาวะไปนะต่อไปพอกลับบ้านพอใจเหลือไปแป๊บ สติะระลึกได้ว่าเผลอละสติะระลึกได้ปับ๊บจิตจะตั้งมัน่นรู้ตัวขึ้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่เผลอไปสติเนี่ยมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะะแต่ถ้าเรื่องอะไรขาดสติเมื่ อ, อไรขาดสติจิตมันจะเลื่อนลอยไปเนี่ยเลื่อนลอยไปอย่างเนี้ยคุณผู้หญิงแถวที่สี่เนี่ยสึกไหมที่ถัดจากคุณเสื้อเหลืองนะ่ะจิตมันเลื่อนลอยเลื่อนลอยโน่นหัดไปโน่นก็หนีไปคนลนะเห็นไหมมันเลื่อนลอยนะ นี่มันขาดสติมันเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปไหนมากที่สุดเลื่อนลอยไปคิดมากที่สุดเลื่อนลอยทางใจเลื่อนลอยไปคิดมีมากที่สุดงั้นถ้าเมื่อไรเราใจเราหนีไปคิดใจเราเผลอไปเรารู้ว่าใจเราเผลอไปคิดนะเราตื่นขึ้นมารู้ว่าเผลอไปคิดเนี่ยปฏิบัติได้เยอะที่สุดเลยดีกว่ารู้ว่าโกรธรู้ว่าโลบนะโกรธกับโลภมันยังน้อยกว่าเผลอต้องเผลอก่อนมันถึงจะโกรธได้โลบได้งั้นเนี่ยหมอติเผลอแล้วเห็นไหม เออไปละหัดรู้สภาวะนะมาเรียนที่หลวงพ่อไม่ช่องเรียนอะไรให้รู้เรื่องนะฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้มีปัญหาเลยไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องนะแต่ว่าฟังไปแล้วก็หัดสังเกตสภาวะในจิตในใจเรานะฟังแล้วบางทีก็สงสัยขึ้นมารู้ว่าสงสัยนี่ปฏิบัติเป็นแล้วนะฟังแล้วงงๆฟังแล้วนินทาอาจารย์พูดอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยใจเราเป็นยังไงนะรู้ไปเรื่อยๆนะหัดรู้สภาวะไป เราไปจิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองพอสติเกิดเองเนี่ยทำฝ่ายกุศลจะตามมาเป็นแถวเลยสัมมาสติเกิดแล้วก็จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสัมมาสมาธิเกิดเรจะเห็นความจริงของกายของใจก็เกิดสมาทิฏฐิคือตัวปัญญา <Yes. S 1> ในสุดจิตก็จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ <Yes. S 1> พอปล่อยได้เนี่ยมันพ้นทุกข์จริงๆนะพอจิตใจเราจะเข้าถึงความสงบสุขอย่างแท้จริงเข้าถึงสันติสุขเลย ถ้าเราปล่อยวางกายใจไม่ได้เนี่ยจิตใจไม่มีวันมีความสุขไม่มีวันสงบได้อย่างแท้จริงเพราะว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราก็จะเกิดการดิ้นรนหาความสุขมาให้มันดิ้นรนพามานันหนีความทุกข์ดิ้นไปตลอดชีวิตเลยดิ้นหาความสุขไปเรื่อยๆดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆหาความสงบสุขไม่ได้แล้วความสุขก็ไม่เจอนะความสุขอยู่ข้างหน้าตลอดชีวิตเลยตามไม่ทันหรอกความสุขอะ่ะ แต่ถ้าเรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนะจนเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราปล่อยวางความยึดถือลงไปมันจะหมดการดิ้นรนที่จะให้กายนี้ใจนี้มีสุขที่จะให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์เพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วเป็นธรรมชาติเป็นสมบัติของโลกเรียนไปจนเห็นว่ากายกับใจนี้เป็นสมบัติของโลกนะอถึงตรงจุดนี้แล้วก็มันจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเลยจิตใจจะเข้าถึงสันติสุขหมดความดิ้นรน เพราะฉะนั้นรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะรู้กายรู้ใจอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราล้เป็นใจรักณรู้แจ่มแจ้งนี่สมุทัยคือปัญหาจะถุกละโดยอัตโนมัต <ti Mot> ิงานรู um ้ทุกข์แจ <staat> ่มแจ้งสมุทัยจะถูกถูกละโดยอัตโนมัติคือเราจะหมดความดิ้นรนที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขดิ้นรนที่ให้กายนี้ใจใจนี้พ้นทุกข์เมื่อเราหมดปัญหาหมดการดิ้นรนหมดตัวสมุทัยนี้นิโรธจะแจ้งขึ้นมาเอง เราจะเข้าถึงสันติสุขในฉับพลันนั้นเลยทันทีที่ตัณหาดับสันติสุขก็ปรากฏขึ้นในใจเลยลนิพพานก็ปรากฏขึ้นมานิพพานไม่ใช่จิตนะนิพพานไม่ใช่จิตอย่าไปคิดว่าจิตคือนิพพานจิตยังเป็นขันอยู่ขันไม่ใช่นิพพานนิพพานเป็นสภาวะธรรมอีกอย่างอย่าหนึ่งเป็นสันติสุขที่จิตเข้าไปสัมผัสได้เมื่อจิตหมดความดิ้นรนหมดตัณหา เพราะฉะนั้นการที่เรารู้ทุกจนกระทั่งละสมุทยัยละตัณหาละการดิ้นรนได้เข้าถึงสันติสุขเนี่ยอันนี้เรียกว่ามรรคในคัมภีรจะสอนให้ชัดๆเลยอริยมรรคเนี่ยก็คือการที่รู้ทุกละสมุทยัยมีนิโรธเป็นอารมณ์นี่เรียกว่าอาริยมรรคถ้ายังไม่ถึงขั้นอริยมรรคเป็นมรรคเบื้องต้นเรียกบุพภภาคมรรคไม่ใช่มีนิโรธเป็นอารมณ์หรอกมีทุกเป็นอารมณ์มีรูปมีนามเป็นอารมณ์ งั้นเบื้องต้นให้เรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปจนใจหมดความยึดถือกายยึดถือใจหมดตัณหานะจะเห็นนิพพานเห็นสุญญาตาเห็นความว่างหลายคนกลับหัวกลับหางปฏิบัติมุ่งไปดูสุญญาตาอันนี้ผิดอย่างสาหัสเลยะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปดูสุญญาตาเลยนะท่านสอนให้รู้กายกายานุปัสสนารู้เวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาไม่มีสุญญาตานุปัสสนานะ หลายคนชอบไปดูสุญญาตาแล้วภาคภูมิใจนะหลวงพ่อต้องมานั่งแก้ปวดหัวมากเลยเนะหนื่อยเพราะว่าอะไรไปติดความว่างอยู่มันดีมันไม่ใช่ชัว่วมันดีให้ทิ้งของดีเนะี่ยไม่ใช่ทิ้งง่ายนะแต่ถ้าเราไปปรุงความว่างขึ้นมาไปสร้างพบที่ว่างๆขึ้นมาแล้วเข้าไปอยู่ในพบนั้นเนี่ยจะให้ลาให้เลิกนะยากที่สุดเลยนะต้องน้อมใจเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆนะว่าท่านสอนให้รู้ทุกขนะ์ถึงจะยอมละไอ้สิ่งที่สงบสุข ที่ว่างๆอ่ะ น, นั้นได้เมื่อไม่กี่วันนี้มีพระมาองค์ท่านบวชตั้งนานนะเกือบยี่สิบพรรษาล้วท่านมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านดูจิตท่านเนี่ยดูไปดูไปนะมันวางปับ๊บสว่างขึ้นมาแล้วจิตท่านอยู่แบบความว่างความสว่างเนี่ยอยู่ได้อย่างนี้เป็นปีเลยนะแล้วท่านก็ชักสงสัยบางทีมันก็ยังหมองๆไปได้บ้างอะไรเงี้ยบางทีมันก็ตอนตื่นนอนเนี่ยมันยังไม่เข้าไป พอตื่นมาสักพักหนึ่งไปดูๆแล้วก็หลุดปุ๊บเข้าไปละท่านเลยเอ๊ะนนี้มันนิพพานเล้วมันยังมีเข้ามีออกอยู่บอกท่านว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะท่านก็บางเล่ใจท่านบอกมันมีแต่ความสุขนะมันไม่มีกิเลสเลยมีแต่ความสุขล้วนๆมันน่าจะใช่เลยต้องเล่าเรื่องอาจารย์บุญจันทร์ให้ฟังหลวงพ่อเคยโดนท่านอาจารย์บุญจันทร์จวกมาแนละ้วมันนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะนิพพานอะไรมีเข้ามีออกมันของปลอม อะไรที่ยังมีคู่คู่อยู่เนี่ยไม่ใช่ของจริงน ะ, ะยังมีนิพพานกับไม่ใช่นิพพานอยู่อย่างเงี้ยมีเข้ามีออกได้ไม่ใช่ของจริงหรอกอเอาใครสงสัยอะไรเชิญถามอ่เอาไม่ใช่ไม่ใช่พบเนี่ยพบเนี่ ย, ยมีคำเต็มเต็มชื่อว่า ก, บาบกับมาพบกับมาพบคือการทำงานทางใจตัวสภาวธรรมก็คือตัวรูปกนาม อย่างความโกรธเนี่ยความโกรธไม่ใช่ตัวพบนะมีความโกรธขึ้นมาใจเราก็เกิดการทํางานตามความโกรธการทํางานไปตามความโกรธบงการนี้เรียกว่าพบนะดัะนั้นอย่างตัวสภาวธรรมเนี่ยไม่ใช่ตัวพบหรอกตัวสภาวธรรมก็เป็นรูปธรรมนามธรรมเช่นรูปที่ยืนรูปที่เดินรูปที่นั่งรูปที่นอนเป็นตัวสภาวธรรมนะมือเท้าแขนขาลมหายใจเส้นผมอันนี้ไม่ใช่สภาวธรรมนี่เป็นบัญญัติ เป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นสภาวะธรรมจริงๆของเส้นผมคืออะไรคือธาตุตัวธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยนะคือตัวสภาวะส่วนทางจิตใจก็อย่างโลภโลกรธหลงนี่เป็นตัวสภาวะพอมีความโลภความโลกรธความห ล, ล, ลงก็เกิดการทำงานทางใจอันนี้เรียกว่าภพภพคือการทำงานทางใจเรียกว่ากรรมภพตัวชาติจริงๆก็เขาเรียกว่าอุปัถิภพชาติก็เป็นภพอีกอย่างหนึ่งนะ แต่ไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวยุคหัดรู้ไปเวลากิเลสเกิดเช่นเห็นสาวมาแล้วใจมันชอบเนี่ยรู้ว่าใจชอบนะเห็นคนนี้แล้วเกลียดมันรู้ว่าเกลียดหัดรู้สภาวะไปอย่างนี้นะส่วนพบนี่คือคือการที่ใจเราเข้าไปทํางานรู้สึกไหมใจเราชอบแอบไปคิดเรื่อยๆแอบไปทํางานนะไปปรุงดีปรุงชั่วอะไรขึ้นมานั่นเป็นตัวพบมันทําไมมันปรุงล่ะ ตันหามันตักให้ปลุกตันหานี่เป็นปัใจจัยให้เกิดพบเห็นไหมตันหาอุปาทานพบอุปาทานก็คือตันหาที่รุนแรงนั่นเองอุปาทานคือตันหาที่รุนแรงคือโลภะที่รุนแรงทําให้เกิดการทํางานขึ้นมาเมือเกิดการทํางานขึ้นมานะก็เกิดเราตัวเราผู้ทํางานขึ้นมานะมีเราขึ้นมาแทรกขึ้นมาในความรู้สึกพอตัวเราเกิดขึ้นนะมีน้ําหนักขึ้นมารู้สึกไหมยังมีน้ําหนักขึ้นในใจ ดูออกอยังโลกข้างนอกว่างเปล่าใ่ใจเรามีน้ำหนักดูได้ยังเออนะดีที่เห็นนะดีละวดีหลวงพ่อนึงว่าจะบวชนานๆแต่เอแพ๊บเดียวสึกละเราอย่าง น, นี้เรียกสึกแทนคุณ <c oughs> สมัยโบราณเขาบวชแทนคุณนะสมัยโบราณชอบให้ลูกบวชเพราะอะไรที่บ้านลูกเยอะ ไปบวชบวชซะบ้างนี้แบ่งสมบัติได้น้อยลงสบายขึ้นนะเดี๋ยวนี้ลูกน้อยให้ไปบวชคนหนึ่งนะสูญเสียรุนแรงอย่างนี้มีลูกคนเดียวเสร็จแล้วลูกคนเดียวที่บวชได้คงดีใจสังเกตดูใจของเราสร้างภบตลอดเวลาคือทํางานตลอดเวลาดูออกไหมใจของเราไม่เคยหยุดนิ่งใจของเราทํางานตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิด ปรุงดีปรุงชั่วไปเรื่อยๆสงสัยมากไหมคุณผู้ชายที่เสื้อลายๆเป็นทางๆเนี้ยหนในทอบางครั้งนี่มองมองมองจิตไปแล้วแล้วมันมันจะผะแน่นๆขึ้นมามันจงใจมองแล้วมันก็หายไปมันกระตุกดูรุ่งแลหายไปแล้วมันก็มาหม่เลยคลิปไปรุ่งเดี๋แน่นมาแล้มัก็หายอีกถูกแล้วถูกแล้วนะ การที่สภาวะอันแดนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปถูกต้องละะต่อไปพอเราดูนานๆเราก็รู้ต้นทางของมันด้วยะมันไม่ใช่อยู่ๆลอยๆมันแน่นหรอกมันมีเหตุเหตุของมันก็คือใจเราเข้าไปยึดถืออะไรสักอย่างเช่นเราอยากปฏิบัติขึ้นมาหรือบางทีใจเราเผลอไปแล้วเราไปดึงคืนมาใจไหลไปแล้วไปดึงคืน ม, มันจะแน่นๆขึ้นมาพอเราลืมเรื่องปฏิบัติไปนะไอ้ที่แน่นๆนี้หายไป หรือคนชั่วๆ่วนะแน่นมากนะคนไหนที่ทำกรรมชั่วมากๆจิตใจชั่วร้ายมากๆเนี่ยจะหนักหนักมากหนักหนักเหมือนแบกครกตำข้าวเด็กรุ่นหลังยังไม่รู้จักครกตาข้าวแล้วรู้จักแต่มูลิน็กอะไรเงี้ยมันเบาสมัยก่อนมีครกตำข้าวหนักจริงๆใจถ้าทำกรรมชั่วมากๆนิสัยชั่วมากๆนะนะั้นหนักหนักจนแผ่นดินรองรับไม่อยู่ นี่เราฝึกไปเรื่อยใจค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นนะฝึกไปของคุณรู้สึกไหมไอ้ที่ใจหนักหนักไม่เที่ยงหรอกนะดูไปเรื่อยๆทําได้ดีแล้วนะดีแนละ้วบ้านอยู่ไหนล่ะบ้านอยู่ไต้หวันลาลาเออดีแล้วตั้งใจเรียนใชนะอยู่ไม่ไกลไม่ลําบากมากบางคนอยู่อเมริกาอยู่ในลําบากสงสารนะอยู่ไกลมากเมื่อวานก็มีพวกไหนพวกนักพรตศีธรรมาาราชศมานะมาก็เด๋อเด๋อมาแล้วเหนื่อยอนะ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องดูเฉยเฉยอ่ะนะดูไปเรื่อยอย่าอย่าไปเติมความคิดลงไปความคิดมันเป็นเบื้องต้นเท่านั้นแหละนะเช่นใจของเรานี่มีราคามากนะทำไงก็ไม่อยู่ละสมมติเป็นพระนะใจราคามากจะบวชอยู่ไม่ไหวแล้วจะสึกแล้วอะไรเงี้ยนี้ต้องคิดเอาคิดอสุภะอะไรเงี้ย็นการช่วยมันหน่อยนะหรือใจเราฟุ้งซ่านมากเราก็คิดนิดนึงนะเออมันธรรมดานะจิตมันฟุ้งซ่าน จิตนี้มันสอนธรรมะเราละอะไรเงี้ยคิดนิดๆนะไม่คิดเยอะนะคิดเยอะมากอบรมสั่งสอนจิตมากๆมันเหมือนพ่อแม่ขี้บน่ะลูกไม่เชื่อนะบ้านไหนที่แม่ปากเป็นหนังตะลุงนะแงบแงบแงบเช้ายันข้ามในลูกดื้อลูกไม่เชื่อหรอกจิตนี้ก็เหมือนกันนะอย่าไปสอนมันนะสอนมากมันยิ่งดื้อเอาของจริงให้มันดูเช่นมันโลภขึ้นมาแล้วแหมมันร้อนขึ้นมาเลยมันทุรนทุรายมันอยากได้เน่ เออตาไปมันเห็นนะเ อ, อ๊ะโลภทีไรก็เดือดร้อนทุกที่ตอไปมันเลิกแมวแล้วไม่โลภแล้วนี่มันเห็นของจริงไมื่เราให้เด็กเรียนนะเรียนแบบสมัยใหม่นะไม่ใช่เรียนแบบครูมาพูดให้ฟังข้างเดียวล่ะเขาเรียกอะไรนะเรียนแบบอะไรเรียนนี้แหม่สัมันมากอะไรนะอย่างสอนให้เด็กนะจะรู้จักชาวนาก็พาไปทํานาอะไรเนี้ยนะเ อ, อ่อสอนให้ลงมือปฏิบัติหาประสบการณ์จริ ง, รงๆเด็กได้เรียนรู้ของจริง จิตเราเหมือนเด็กนะให้มันเรียนรู้ของจริงไปอย่าเทศมากอย่าสอนมากนะ <c oughs> ไปสอนมันมันยิ่งดื้อพออ้าปากแล้วมันรู้แล้วเดี๋ยวจะต่ออะไระ <c oughs> เคยไหมมีบ้านไหนพวกเราตอนเด็กๆที่พ่อแม่พูดเรื่อยๆพอ พ, อ พ, อ, พอพ่อแม่พูดประโยคนี้เรารู้แล้วประโยคต่อไปคืออะไรแล้วถามว่าฟังไหมไม่ฟังหรอกที่เกลียดฟังแล้วทําเป็นฟังเองนั่นแหะแต่ว่าใจหนีไปที่อื่นแล้วทําถูกแล้วนะทําได้ดีแล้ว อ่ามคือถาท่านที่านบอกว่าพอจิตเรารู้ว่าเรามีิเลเราเห็นสาเดิมเนี่ยเรารู้ว่าโอเคแล้วเกิดแล้วเราเอ่อระนัะอโอเคเราแยกไปแล้วแล้วถ้าเกิดเกิดอีกนก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะทให้จิตสงบได้เราไม่ได้เรียนเพื่อให้จิตสงบแต่เราเรียนเพื่อให้เห็นว่าจิตเนี่ยเป็นของที่เราควบคุมมันไม่ได้จริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้นะวัตถุประสงค์ฝรา และสงบนี่เรื่องของสมรชาเช่นใจมันเห็นสาวสวยมันชอบเขาแล้วก็พิจารณาเอาสาวมาพิจารณาเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะอะไรเนี้่ใจก็ไม่ไปชอบสงบนะแต่ทำพิปัญหาเนี่ยใจไหลแวบพอรู้ทันมันดับเดี๋ยวมันก็ไปอีกรู้อีกมันจะเห็นเลยจิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้เกิดแล้วดับนะ เ, นเพื่อให้เห็นตรงนี้ถึงวันหนึ่งก็จะรู้เลยว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีกระทั่งจิตของเราเองเรายังบังคับไม่ได้เลยนะคนเร า, าสุขประสงค์นะ ดีถามดีนะถามอย่างนี้คนอื่นได้ฟังด้วยดีอมมติว่างไง อันนัน้นเป็นเป็นอุบายเพื่อเอาตัวรอดเวลาที่กิเกลสรุนแรงเท่านั้นไม่ใช่หลักนะอุบายไม่ใช่หลักใช้ได้ไหมอุบายใช้ได้เมื่ อ, อยามจนตัวนะหลักของเราก็คือรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นถ้าเราเจ้าเล่ยเพทุบายเจ้าอุบายมากก็ไปเราจะติดอุบายตัวเอง แล้พออะไรเกิดขึ้นจะแก้เรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งหมอติรู้ไหมมันรู้สึกกระยิ่มว่าเราแก้มันได้เออมันจะแทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาแล้วมันจะเห็นเป็นอัตตาแต่ยําจวนตั ว, วใช้ได้ใช้ได้อันแรกความคิดขาดเป็นช่วงๆก็ถูกต้องแล้วแค่เราสวดมน์นะสวดม น, น์ถ้าสติเราดีนะจะเห็นเลยมันดับเป็นช่วงๆสวดไปคำสอคําหายไปแล้วนึกไม่ออกแล้วหายไปหมดแล้ว ขาดเป็นช่วงช่วงช่วงไปจะเห็นเลยเออจิตใจนี่เป็นของบังคับไม่ได้ให้มันจํามันยังไม่ยอมจาเลยฟ้องเป็นไงฟ้องแต่ดีที่รู้ทันนะไปกับท่านจันตรันเป็นไงออไปดูถูกเทวดาเหรออะไรเหรอ <c oughs> เอาอเขาเทวดาเราก็เทวดาสิ ก็หมดเรื่องแล้วแ้คนหนึ่งบอกเทวดาคนหนึ่งบอกขี้ฝุ่นเดี๋ยวก็ตีกันตายฮ สมาธิที่จะหลุดพ้นจริงๆเนี่ยนะเป็นสมาธิในอริยมรรคเป็นตัวสำมาสมาธิแท้แทนะ้สมาธิเพื่อสติสำมัญญาอย่างที่หลวงพ่อสอนไปกืกีเนี่ยนะเราจับอารมณ์กรรมฐานมาอันหนึ่งก่อนมาเป็นตัวตั้งจนกระทั่งเกิดสติขึ้นมานะส่วนตัวสำมัญญานี่เป็นปัญญาขั้นพื้นฐานนะสำมัญญาเป็นปัญญาเบื้องต้นเลยที่จะคอยประคับประคองเราเหมือนผู้กำกับเส้น เรากำลังจะทําทอะไรเพื่ออะไรจะทําทอย่างไรนี่ต้องรู้ชัดระหว่างทําต้องไม่หลงไม่เปลือ น, นี่เรียกว่าสัมปชัญญนะงั้นเราก็ต้องมีสติมีสมาธิขึ้นมานะเพราปัญญาเบื้องต้นนี้ก็มีขึ้นมานะงั้นหัดรู้ไปนะหัดรู้อารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งในรูปแบบนั่นแหละนะทําตามรูปแบบไปเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยหายใจก็หายใจไปแล้วก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆสติจะเกิด แต่ก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวปัญญาเ็าจะเกิดเห็นความจริงของกายของใจอันนี้ยังเป็นโลกิยะอยู่นะสมาธิอันนี้ยังเป็นโลกิยะอยู่แต่ตรงที่สมาธิที่เป็นโลกุตระเนี่ยะจะเกิดในอริยมรรคเกิดแว บ, บเดียวตรงนั้นเพื่อความหลุดพ้นหน้าที่เราทำมรมคเบื้องต้ น, นไม่ได้ทำอริยมรรคนะทำรรเบื้องต้นคือมีสติ มักมีอง์8ทำยังไงมีตั้งแปดตัวทำสัมมาสติให้เกิดที่เจ็ดตัวที่เหลือจะเกิดเองงั้นต้นทางจริงๆนะคือมีสตินี่งรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปอ้าวว่ามาอ๋อรู้รู้ตรงความเป็นจริงนะอย่างแกเราสว่าเราจะทำสมถะนะทำสมถะ เรารู้ว่าเราจะทําสมถะนี่ข้อที่หนึ่งนะรู้ว่าเราจะทำอะไรทําสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจได้รับความสงบสุขทําอย่างไรนี่ยจิตใจมันไม่สงบเพราะมันวิ่งไปวิ่งมาเราก็น้อมให้มันอยู่ในอารมณ์เดียวมีเป็นตัวกํากับ น, นั่นเองให้เราเดินได้ถูกทางแล้วระหว่างที่เรารู้สมมติเรารู้ลมหายใจเข้าออกไปนี่ยเราไม่หลงเราไม่เผลอนี่เป็นสมัมปจัญญาตัวที่สี่ไม่ลืมตัวเองไปไม่ลืมลมหายใจไป นี่ถ้าเราทำํำนิพพสนาเราจะทำํำนิพพสนาเพื่ออะไรเพืนะ่อให้รู้ความจริงของกายของใจทําอย่างไรรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปมีสตินะฝึกเบื้องต้นให้สติเกิดขึ้นมาแล้วมันจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ระหว่างที่ฝึกรู้กายรู้ใจอยู่ก็ไม่เผลอไม่ลืมตัวเองลืมเนื้อลืมตัวไปนะนี่สัมผัสัญญามีสี่อันจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมเนื้อลืมตัว ตัวสุดท้ายนะ่าสำคัญมากเลยสาคัญมากส่วนใหญ่ทาแล้วมักจะลืมตัวเองสัมผััญญาตัวสุดท้ายชื่ออา oh สัมโมหะสัมผััญญะเป็นปัญญาที่ไม่ประกอบด้วยโมหะไม่หลงส่วนใหญ่เราทำสมาธิเราก็หลงนะเช่นเราดูท้องพองยุบเราก็ลืมตัวเองเราหลงแล้เรารู้ลมหายใจเข้าออกเราก็ลืมตัวเองเพ่งอยู่ที่ลมอย่างเดียว เค่งอยู่ที่ท้องอย่างเดียวลืมตัวเองลืมกายลืมใจกายกับใจก็ทื่อๆผิดธรรมชาติแล้วน่นเรียกขาดอสัมโมหะสัมปชัญญะสมบูรณ์เป็นไงสมบูรณ์เป็นไงมั่งสติเกิดบ่อยไหม ตรงปล่อยเนี่ยปล่อยยังไงสมมูรณพอใจหรือเป่าพอใจที่มันเผลอไปหรือเปล่าหรือไงก็ตรงนี้ต้องรู้ทันนะอย่าเจตนาปล่อยมันคือไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะแต่ว่าปล่อยวางกับปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่เหมือนกันปล่อยปล่อยเนื้อปล่อยตัวหมายถึงตามใจกิเลสไปเลยด้วยไม่อิสระปล่อยวางหมายถึงว่า รู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นเ้าผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เข้าไปแทรกแซงปล่อยว่างนะรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปแทรกแซงนะถ้าปล่อยทิ้งนี่ไม่ได้นะปล่อยทิ้งคือไม่ปฏิบัติแยกได้ไหมสมมูรณไม่เหมือนกันนะอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งการปฏิบัติต้ตองทําสม่ําเสมอนะอินพุตเนี่ยต้องสม่ําเสมอนะไม่ก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภัพนะเพียนมากขึ้นมากขึ้น แต่ o อ t p ์เนี่ยไม่คงที่หรอกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางวันดีบางวันไม่ดีถ้าเราทำอย่างนี้เราถึงจะเห็นเลยว่าเราควบคุมมันไม่ได้จริงมันไม่เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมนะเราคุมเอาอินพุตเข้าไปแล้วเราเซตระบบดีเนี่ยออปต์ต้องออกมาได้อย่างนี้ทุกทีไปจิตใจเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีค่าที่เบี่ยงเบนสูงมากเลยทำเหมือนเดิมนะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ได้เรื่องเลย ไม่ได้เรื่องในระหว่างที่ปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าวันนี้ทาําก็ดีวันนี้ไม่ทําเลยแย่ลงมาต้องทํานะวันก่อนไปเยี่ยมหลวงพ่อมนตรีเมื่อเดือนสิงหาท่านถามบ อ, อกเนี่ยคุณสอนฆราวาสมาเยอะฆราวาสมีจุดอ่อนที่ไหนกลาบเรียนท่านเลยฆราวาสมีจุดอ่อนที่ความต่อเนื่องฆราวาสทำทำหยุดหยุดฆราวาสเนี่ยเห็นสิ่งอื่นสําคัญกว่าธรรมะ จริงแล้วธรรมะนี่ไม่เบียดบังเวลาธรรมะหากินด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เข้าใจเราก็เลยัวไปทุ่มเทไปคิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรไปเรื่อยๆนะกะว่าว่างๆก่อนแล้วจะค่อยมาปฏิบัติเราไม่รู้ว่าธรรมะอยู่กับเราอนะตั้งแต่เกิดยันตายเลยไม่ดึงนะไม่ดึงถ้าดึงเราแน่น เงจิตที่หลงมาดูหลวงพ่อเนี้ยนะมันเกิดไปแล้วแล้วมันก็ดับไปแล้วมันเกิดจิตที่รู้ทันจิตที่ไปดูหลวงพ่อนี่เป็นจิตดวงใหม่ละงั้นไม่ต้องไปดึงดวงเก่าคืนมาเพราะดวงเก่าดับไปแล้วงี้ก็เกิดรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทำงานอย่างอื่นต่อเออ่วงเนี่ยร่างกายง่วงหรือจิตใจง่วง ร่างกายง่วงไปนอนซะนะ <c oughs> จิตง่วงเหรอจิตง่วงก็ต้องต่อสู้นะมีวิธีต่อสู้แปดวิธีนะไปอ่านเอานะที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคกัลลานะคิดถึงสัญญาเช่นคิดถึงร่างกายตัวเองนะคิดเป็นปฏิปุเวยาสุภาพไม่ให้จิตอยู่เฉยนะคิดถึงร่างกายนี้สกปรปกเน่าเหม็ น, งงนอย่ังง่วงย่างงี้หาเรื่องคิดไปเรืนะ่อยคิดอยู่ในกายของเราในใจของเราอะไรอย่างเงี้ย นี่เบื้องต้นเลยอันที่สองพิจารณาข้ออัดข้อทําอะไรที่ครูบาอาจารย์เคยสอนเอามาพิจารณาว่าเราจะปฏิบัติยังไงที่ทําอยู่ถูกไม่ถูกอะไรเรื่องชิดอีกแหละอันที่สามสวดมนต์ไม่สวดเร็วๆนะมันง่วงก็สวดดังๆสวดยาวๆไม่ได้สวดสั้นๆก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธดังๆไวไว้ทําได้เยอะแยะนะเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาก็ได้นะออกไปอยู่กลางแจ้งเงยหน้านะ ลำไถยเก๊กอะไรไปเลยก็ได้นะแก้ง่วงนะขั้นสุดท้ายมาตรการเด็ดขาดคือนอนนะขั้นที่แปดนี้พวกเราใหญ่เรียนทับขั้นนะพอสตาร์ทก็เล่นขั้นที่แปดหวงพ่อเคยฝึกตัวเองสมัยที่เริ่มหันใหม่ๆนะนอนกลางคืนเนี่ยมันจะนอนนานนะหลวงพ่อดื่มน้ำมากๆเลยนะกลางคืนต้องลุกไปห้องน้ำ แก่นิสัยตัวเองมันจะนอนยาวนะพอลุกไปห้องน้ำนั่งจะงัวงเงียงัวงเงียงวพองัวเงียไปห้องนั้นนะเสร็จ แ, แล้วต้องมานั่งต่อนะไม่เดินด้วยถ้าเดินเดี๋ยวมันหายง่ายเดีนั่งอยู่เงี้ยถ้ามันไม่หายงัวงเงียนะันไม่นอนต่อจะนั่งเยียยันเช้าก็สู้กับมันอะไเงี้ยมันต้องฝึกตัวเองนะให้เข้มแข็งไว้แต่ไม่ใช่ว่าต้องมาเรียนแบบหลวงพ่อนะ อย่างสมว่าเรามีหน้าที่ต้องขับรถยนต์เราก็ไปฝืนอย่างนี้เดี๋ยวตายนะเรารู้จักว่าเราทำอะไรชอบง่วงเหรอชอบง่วงก็ทำกรรมาฐานที่เคลื่อนไหวเดินเอาเดินดูจิตดูใจของเราไปนะแต่คนขี้ง่วงจริงๆเดินมันก็หลับนะหลวงพ่อเคยมีเพื่อนคนหนึ่งบวชตอนนั้นเป็นนักศึกษาบวชด้วยกันที่วัดชนประทานที่วัดชนประทานเนี่ย ทางท้ายวัดเนี่ยจะมีศาลาทํากาาารรมฐานศาลานี้ไม่มีฝาผนังนะแต่ผนังเป็นมุ้งลวดวันนึงเราก็ไปนั่งกันนะทํามืดเลยนั่งกันเพื่อนนั้นมันเดินทะลุศาลาออไป <c oughs> เดินจงกลมนะ้ทะลุออกไปยืนอยู่กลางสนามแนละ้วก็เพิ่งรู้สึกตัววเอ้ยทะลุฝาออกมาแล้วนะไอ้พวกเราก็นั่งอยู่อวันนี้ทําไมยุงชุมใครมันเปิดประตู <c oughs> ที่แท้ฝาทะลุไปแนละ้ว เดินอยู่ก็ยังหลับได้นะนี่เรียกว่ามีเอตทักษะ <c oughs> อ่ะวันนี้พอสมควรนะพอสมควรเชิญไปรับซีดีข้างหลังนะซีดีหลงพ่อโฆษณานะในคุณโยเขาเป็นคนทำนี่เสื้อเหลืองข้างหน้าอ่ะตบมือให้เขาหน่อยเลยตบมือนี่ทมเนียมฝรั่งนะรมเนียมชาวพุทธบอกสาธุเออ